เพราะฉะนั้นการค้นคว้ายังไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จรึงตอบอย่างขอไปทีบอกวา่าเขาถามบอกวา่าพลังงานมาจากไหนนักวิทยาศาสตร์ก็ตอบอย่างขอไปทีบอก ว, ว่าโนแวโนแวก็แปลว่าไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนี่มองไปในมองไปในรูปนี้นักวิทยาศาสตร์ประเภทที่ยังตกอยู่ในอิทธิพลของพระเจ้าคือประเภทที่ยังมีความกลัวขึ้นสมองยังเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่ ก็หาทางออกอย่างดื้อๆพอพลังงานมันจะพุ่งพุ่งเจ้าสิเพราะนั้นจอรเกลนนะนักอวกาศอเมริกาไปทใช่าอาวกาศครั้งแรกเออไทยที่อยู่ จ, จ, จอยู่บนยานอาวกาศจะขอบคุณความสามารถของนักวิยทยาศาสตร์ที่สร้างจรวดเอาตัวอขึ้นมาได้พอขึอ้นไปบนโน่ น, นแล้วกลับไป oh God, on, บอ่อนวอนโอไมค์ก็อ่อนวอนพระเจ้าว่าแมว่าเจ้าทรงุคคลมหาศาล ดูดูมันได้ให้ตัวเข้าเนี่ยสวัสดีขึ้นมารออยู่บนเวหานอกโลกได้นี่นี่เกิดจากอำนาจความกลัวผมได้กล่าวมาแล้วว่าความกลัวไม่เข้าใครออกใครต่อให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ขณะที่กาลังเข้าห้องแลบ็บเข้าห้องที่ที่สูตรทางวิทยาการตบว่าคุยเป็นนกแก้วที่เดียกบอกว่าโรคนี้มันจะกพระ อ, อาทิตย์มาจากหมอกไฟเย็นตัวลงรือธนาการมาเป็นลาดับแต่เป็นโรกนี้มีแร่หลากหลายร้อยล้านปีเรัอนาการจากตัวอมัมบีบา ขึ้นมากจากตัดเป็นเลียวเป็นสัตว์มากเป็นจากมากเป็นเป็นสัตว์ว่ายอย่างปลาจากปลาก็ขึ้นบกเป็นเล่ยคานจากเล่ยคานก็เป็นมนุษย์สัตว์สี่เท้าจากสัตว์สี่เท้าก็มาสัตเดิน2องเท้าคืนลิงเป็นส่วนมากจากลิงเรียกนาการมาเป็นมนุษย์ลานอนจากมนุษย์ลานอนมาเปนคนลำดับมาตั้งหลายร้อยล้านตัวว่าเป็นนกกูนกกรวลกททองแต่เวลาความกลัวขึ้นขมอ๋อหรืเข้าไปในโบสแล้วก็ชื่อว่ามีพระเจ้าฝังโลกนี่เป็นเช่นอย่างนี้เพราะฉนั้นเราอย่าฝากประเภทนี้ไอ้ตายยิ่งยิ่งเจาะ ไอสไตยิ่งจรกนักวิทยาศสตร์ประเภทนี้เบอหนักวิทยาศาสตร์ประเภทนี้อ่ะใจเรียนรู้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์มามากมายแต่ในขณะเดียวกันจิตใจของเขาก็กําลังปฏิเสธวิทยาการที่ตัวเขาเรียนรู้มานั่นก็คือยังเชื่อมีพระเจ้ารู้ฟังอยู่อย่างนี้นี่ประเภทหนึ่งเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์ประเภทเทียมน่ยจึงโยนว่าพลังงานมาจากก๊อฟจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นการ่ะ หาทางออกอย่างเอาข้างเข่าถูพูดง่ายเพราะโยนออกนี่แล้วก็คนยังได้ไม่ถามต่อไปไลัวกลัวจะเสียภูมิหนิคนมันเชื่อพระเจ้าอยู่ไล่ใช่ไหมพอโยนให้พระเจ้าเออจริงให้พระเจ้าบดรลัยทุกสิ่ทุกอย่างหมดหมดเรื่องการไม่ต้องหาเวลามาตอบให้เสียสมองถ้าไม่โยนให้พระเจ้าแล้วเจอลูกศิษย์ซักเข้าซักเข้าหนักเข้าอาจารย์ก็ตกตกโครมมาสิไม่มีทางตอบลูกศิษย์ได้เลยเสียแต้มอาจารย์สิฉะนั้นการที่อะไรก็โยนกอให้พระเจ้านี่มันสะดวกใจแท้ สบายดีแล้วเกินตัวเองจะได้ไป็นต้นรับผิดชอบโยมให้มันประพฤรืบจึงมีเรื่องเล่าขำขันเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งคือมีผู้ไ้่โจงย่องเบาวคนหนึ่งขึ้นไปขโมยของบ้านเศรษฐีเศรษฐีจับได้เพราะอ้างพระเจา้าบอกในนามของพระผู้เนเจ้าเจ้าโจงเอาสมบัติเหล่านี้มาคืนข้าเสีะดีๆเจ้าโจงก็บอกว่าย้อนกลับฝ่ายบอกในนามของพระผู้จเจ้าอีกเหมือนกันท่านจงแบ่งสมบัติเนี่ยให้ข้าพเจ้าใช้บ้างซิเนี่ย ต่างคนต่างอ้างพระเจ้าไอ้เศรษฐีอ้างาพางง ah e ระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ให้เสียไอ้ผู้ร้ายอ้างพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ให้เสียเหมือนกันแล้วถ้าผู้พระเจ้าจะมีจริงพระเจ้าจะเข้าข้างใครจะตัดสินอย่างไรเนี่ยทุกคนอ้างพระเจ้านี่แสดงให้เห็นว่าการที่มีุูกพระเจ้าเนี่ยเป็นการช่วยทางจิตวิทยาสําหรับคนที่ไม่มีทางที่จะโยนกองจะได้มีที่โยนกองพูดง่ายๆว่าสําหรับคนที่ไม่กล้ารับผิดชอบไปตัวเขาเองบัดสวะให้พ้นตัวไม่ใช่น้าถีงเราเป็นน้าถีของพระเจ้า ใครเลยใครเลยจะรู้น้ำพระทัยของพระองค์พอถามหนักเขายกคำนี้ดื้อๆปะใครเลยจะรู้น้าพระทัยของพระองค์สิ่ท ง, พงทพระองค์จะปกครองจะเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นใครเลยจะรู้น้าพระทัยของพระองค์ต่อไปอย่างนี้อย่างนี้เปนรักหนักเหตุผลนิยมไหม น, นี่แหละเราชา ว, วาพุจึงควรจะพิจารณาไตรซองไว้นะครับในข้อนี้และคำในอ่านในเรื่องตอบปัหาพรเเจ้าท่า น, นจะรู้เองละหัวเราะกันเอาบๆตอบใจเลยรับรองอ่านแล้วไม่หัวเราะเข้ามาตอบว่าผมสิในหนังสือเล่มนั้นน่ะนี่มนุษย์ซื้อคู่นี่ซื้อมา แล้วอ่านตั้งแต่ต้นจนจบทุกบันทุกหน้าทุกใบนี่แล้วท่านจะหัวเราะอึกอักสิเดียวในนั้นมีไอ้ข้อความขำๆในนั้นอยู่ซ้ายแขกอืสําหรับวันนี้ท่านจะเวลาพอทั้งขวรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องมีท่านผู้เขียนเอาวันนี้ตกลรอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทมาแค่วิญญาณนั้นเองสําหรับท่านผู้จะเขียนปัญหามาถามนะกรุณาเซ็นชื่อไว้ด้วยนะครับจะเป็นประโยชน์นะฮะอันนี้เพราะว่าตอไปแล้วอาจจะพิมพ์รวบรวมพิมพ์เป็นเล่มแก้การเปราะโซ่ตอบปัญหาเหล่านี้กรุณาให้มีชื่อไว้ด้วย มีท่านผู้หนึ่งถามมาว่าพาาระอรหันต์มีอวิชชาหรือโมหะหรือเปล่าถ้าไม่มีเสียเลยจะไม่ขัดกับคำที่ว่าพระโมคคลาหลงโลกหรือเอ๊ไม่เคยปรากฏที่ไหนว่าพระโมคคลาหลงโลกนี่ครับท่ า, า, านผู้เป็นเจ้าของปัญหานี้เอามาจากไหนครับปัญหาข้อนี้ฮะพระอรหันต์น่ะตรงว่าอวิชชาแน่ครับถ้าไม่ละอวิชชาไม่ได้เป็นอรหันต์ก็ไม่ได้เนี่ยทุกคนทุกแห่งในบาลีแปดหมื่นสี่พันธรรมขันจะหาที่ไหนก็เจอที่นั่นว่าอารหันต์ละอวิชชาได้เด็ดขาดแล้ว ทำไมลรอวิชาจะมีอราหารันต์ใดอย่างไรแล้วที่ว่าพระมคคลาหลงโลกเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ที่ไหนหลงโลกจะเป็นว่าเมื่อตอนพระมคคลายังไม่บรรลุอราหันต์กับมั่งที่ว่าพระมคคลาหลงโลกเนี่ยนะข้อนี้ก็ไม่ทราบว่าเพระคุณเจ้าลูกนั้นท่านจะเอาหลักฐานมาจากไหนข้อสองต้นเดิมต้นต้นเดิมของมนุษย์เกิดขึ้นในบ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอะไรก่อนคนที่เกิดมาครั้งแรกชื่อว่าอะไรที่ชื่ออย่างนั้นมีใครเป็นผู้ตั้งชื่อให้เช่นนั้นหรือดำริตั้งเอาเอง นี่อาจินไตปัญหาข้อนี้น่ะอาจินไตปัญหาได้กล่าวมาแล้วว่าทางพุทธศาสนานะ่ะไม่เสาหะต้นตอภายนอกของโอกาสโรกไม่สามหาต้นตอพุทธเจ้าเป็นแค่ไม่ใช่ตํารวจไม่ใช่ศาลจะได้ไม่สู่กับคนว่าเออคนยิงธนูนเนี่ยลูกเต่าลาวไครอ้วนหอมแค่ไหนเ อ, อบ้านเรือนอยู่ที่ใดนี่หน้าที่ของแพทย์คือหน้าที่ถอนสองและวางยา ทำใหงั้นชวิตคนบ่วจะต้องตายทำมัวในแพทยทิ้งหน้าที่ที่ร่วมยาแล้วเที่ยววิ่งสอกวิ่งซ้อนไปเที่ยวถามเขาว่าเอยคนยิงลูกสองมาต้องคนไข้ใชเนี่ยมันมีใครมาจากไหนคนไข้ตายไปก่อนปัญหานี้เป็นมหาจินตเป็นมหาโลกแตบถึงไม่านจรู้ว่าใครเป็นต้นตอทั้งอดสงสัยไม่ได้ต้นตอของต้นตอมาจากอะไรแล้วต้นตอต้นตอของต้นตออีกบ้ามาจากไหนสุกสายเป็นไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยสุดทายไป่มีที่สสุด เพราะงั้นศาสนาเทวานิยมจึงได้ปักสว่างต่อให้พระเจ้า ว, ว่าพระเจ้าสร้างหมดเรื่องแต่ความจริงไม่ได้นึ ก, กแว่งน ะ, ะเฉลียวใจไอ้คนสร้างก็เลยเฉลียวบอกเออแล้วพระเจ้าแลพ้แลพระเจ้ามาจากไหนตอนนี้นักเทววิทยาก็บอกเกิดเองถ้าเกิดเองแล้วก็ไปต้องมีผู้กันละเกิดเองได้เกิดเองได้ผมก็ว่าคนต้องฟ้อมันเกิดเองเหมือนกันเกิดเองครับปฐมมนุษย์เกิดเองท่าจ้าอาตามแนวแนวเทววิ ท, าทยานะฮะอ้าวเกิดเองและที่นี่ก็อกขอว่าอ้าเกิดเองเหมือนกันแต่ถ้าจะเอากันอย่างกระชับ เอาเฉพาะกลับนี้พัช ก, กับนี้อย่าไปเอาต้นตอบเอาเฉพาะต้นกลับมนุษย์ต้นกับนี้ผมรู้มาจากไหนรู้เพราะมีบาลีประเทศยืนยันมนุษย์ต้นต้นกลับเนี่อมาจากธรรมโลกมาจากธรรมโลกเปนลมมาจินม้วนดินคือว่าโลกนี้เป็นหมอกเชิงใช่ไหมความหมอกเชิงเ ย, นงยนง็นลงเย็นลงไอ้ดินแล้วอุไอ้ดินเนี่ยระอุ ข, ขึ้นโลกนี้นะ่ะในอากาศนี่มีอาหารมีวิตามินนะอากาศเนี่ย ทนใหญว่างว่างวิตามินกต็ไมไหมดเลยอากาศมีเชื้อโรคก็มีวิตามินก็มีเต็ไมไปหมดนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมันหลังสงครามพยายามจับวิตามินในอากาศมากินเข้าท้องน้องรูสียืนขาเดียวกินวาตาก็อิ่มเราจะมาดูถูกรูสีประเด็นว่ารูสีกินวาตาได้อิ่มมัย้ยไงหาลู่ไหมวะรูสีใช้กระแสจิตเป็นเรือบ้าไปจับวิตามินวิจัยวิตามินในอากาศอีกลงลงลงกระเพาะเพราะนั้นตัวรูสีจึงจึงไม่เป็นโรคขาดอาหารเพราะกินวิตามินในอากาศ วิยาศาสตร์นะคนเพราะที่จะมีนในอากาศจริงๆมีทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดตนะธาตุคาร์บอนมีหมดนี่วิตามิน A ถึ ง, ถงแดึดอย่เลยเขาจะมีถึงแดแตั้งแ่มอถึงแปดมีทเลยในอากาศเขาบอกว่าวิาวธีเอาวิตามินจากอากาศเนี่ยคือเอาแสงเอาแสงนี่เองอยู่ในแสงกันกันกองจากจากแสงนี้มามาเป็นลูกไขหยดน้ำแล้วกินเข้าไปหยดเดียวเนี่ยอิ่มไปหลายวันดีดก ว, วางนั้น นี่เขาลักษณะอาหารทิษนะเทวดานี่จะไปนั่นจะเียผมต้อบอกว่าวิทยาศาสต์ยิ่งจะริญยิ่งที่ถูกข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ในในพุทธศาสนายิ่งขึ้นเขาถนองอาหารทิษนะอย่างเทวดาในไรที่ปยโกเนี่ยที่ไม่ต้องหุงห อ, <า>อาหารอย่างเรานะ่ะไม่ต้องไปจากตลาดอย่างเรานะ่ะท่านกินทิพอยากกินก็อ้าปากครบเดี๋ยวก็อิ่มอย่างนี้เองกินอย่างนี้เองวิตามถนธรรมชาติอย่างนี้เองแหละไม่ใช่อื่นไกลเลยเออเพราะฉะนั้น มนุษย์ในส้นปฐมกับนี้ไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากธรมโลปมกปฐมกำพนี้เป็นลมกลินง้วนดินหอมกลุ่นขึ้นไปกลิ่นง้วนดินหอมกุ่ขึ้นไปในธรมโลกแล้วลมนั่นน่ะได้กลินง้วนดินนี้แล้วก็ลงมากินง้วนดินกินแล้วรัศมีก็เสื่อมคืคอผู้นงง่ายว่าเกิดเกิดราคะเกิดปัญหาติดติดในรถเป็นราษะตัญหาไปครมโลกไปได้ เลยเป็นปฐมมนุษย์อยู่สืบพัน์ในโลกมนุษย์นี้เลยพราะฉะนั้นถ้าจะถามอย่างใกล้เข้ามาว่าปฐมมนุษย์รือมมากับ น, นี้มาจากไหนก็ตอบได้ว่ามาจากพม่โลกมาจากโลกอื่นอพยพมาจากโลกอื่นลงมาในโลกนี้อ่ชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนอยู่เมืองไหนชื่อก็จังหวัดนั้นไม่รู้รู้แต่ว่าท่านแค่เข้ามาชมพูทวีปสถานที่ตั้งมัาที่ชมพูทวีปชมพูทวีปนี่ม่นจะอินเดียได้กล่าวมาแล้วคือคือโลกมนุษย์เหล่านี้แหละทั้งโลกที่ว่าชมพูทวีป ถ้าคุณเจ้ารูปหนึ่งถามบอกว่าอาเรื่องมนุษย์เ่าที่ตายแล้วดวงวิญ ญ, ญาณก็จะไปปฏสิสนธิทันทีก็หมายความว่าสัดตนหนึ่งก็ต้องไปเกิดได้ตนหนึ่งแต่สงสัยว่าทําไมพลเมืองของโลกยิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าดวงวิญญาณที่ผลิตขึ้นมาใหม่นอกรายการก็มีอย่างนั้นใช่หรือไม่ลงนามพระสีไหลขันติพโลนะครับ สีไัยขันติพโลก็สีไัยอ่าสีไทยใช่ไหมฮะสีไทยขันติพโลอ่าปัญหานี้ผมเคยตอบมาแล้วนี่ครับผมบอกว่าดวงวิญญาณที่มนุษย์เราเนี่โลกมนุษย์เวลานี้เพิ่มขึ้นน่ะ <S <S ไม่ใช่ว่าเวียนว่ายตายเกิดเฉพาะโลกเรานี้เมื่อไหลาเล่าปัดลิขิตามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสันรกมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเปรตมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มี มาจากจากมนุษย์ที่จักรวาลอื่นมาเกิดเป็นมนุษย์ในจักรวาล น, นี้ก็มีเพราะฉะนั้นมันทานองถ่ายไปเทมาครับเหมือนเรา อ, อพยพครอบครัวเวลาเกิดศึกสงครามประเทศหนึ่งพลเมืองประเทศนั้นก็ข้ามแดนมาเมืองไทยอย่างประเทศลาวเกิดสงครามยิงตึงตังกันในเวียงจยันทร์พี่น้องชาวฝา่งใต้ก็ อ, อกพยพไปอยู่เส่นที่จังหวัดอุดร น, น้องคายชั่วคราวมาเพรอพลเมืองในน้องคายอุดรขึ้นแต่อย่างเงี้อ่ะทางโน้นก็เบาบางบกคล้องไปมันเป็นอย่างนี้ เวลาในลกมนุษย์ทวีขึ้นนะ่ะก็เพราะว่ามนุษย์โลกอื่นเข้ามาเกิดมากลูกสัตว์ประฉาลลูกสัตว์นรกมาเกิดในโลกนี้มากแล้วแต่เราสังเกตดูกันแล้วกันสมัยใดยโลกหากคับข้างด้วยธรรชนสมัยนั้นก็แสดงว่าพวกศักดิ์ที่มีบาปได้พากันตั้งหน้ามาเกิดในโลกนี้เพื่อจะล้างผานโลกเช่นเวลานี้ถ้าเชื่อว่าเวลาที้เราบ อ, อกสินทมเสือ่อมพวกธรรชนมีมากที่มาตอกกรรมทำเข็ญต่อมนุษย์ต่อสังขป่าของโลกอ่า มนุษย์พวกนี้เราก็อาจจะถือว่าเป็นพวกเซตนโลกมาเกิดหรือเป็นพวกยักษ์พวกอสูรพวกนี้ยมาถือกำหนดในโลกมนุษย์ดีเพื่อจะบำานโลกก็ได้ถ้าสมัยใดมนุษย์นี้มีแต่สาธุชนมาเกิดมากเป็นสมัยที่บานเมืองอยู่สุขสมบูรณ์ไม่มีขมุนขจนุนมีสติภาพแล้วก็ถือว่ามีแต่พวกสาธุชนมาเกิดมาจากเทวภูมิบ้างมนุษย์สุขติภูมิบ้างลงมาเกิดการมาทะลุกาลุงโลก เพราแม่อาศจารย์เลยเรื่องโลก ม, มากโลกน้อยโลกนี้มากเรืออื่นก็น้อยเป็นเงาตามตัวเรามีที่พระจกากรสูประปานดูนั่เองว่าโลกอื่นก็น้อยจะแค่ไหนเราเืมนึกว่าเอ๊วิญญาณในโลกนี้มาจากไหนนะมากมายนี่นี่ก็ข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งท่านวิริยะประพัชโรถามมาว่ามีผู้เข้าใจว่าพระพิสุในศาสนานี้เคยบินทบาทกับเทวดาได้โดยเทวดาใส่บาตได้อาหารแต่อาตามาคเคยบินทบาตทในป่าได้ผลมะกุ้มหล่นอาจาย์ เชื่อไมาสัางเขาว่าอ่าะว่าตูนหลน่นเนเชื่อแน่ครับเพาไม่สงสัยและหล่นตามต้นไม้เนี่ยเชื่อแน่นะฮะผลไม้ที่หล่นเนี่ยแต่ว่าที่เทวดานางไม้ยืนอาหารให้น่ะก็เคยมีปรากฏนะครับเคยมีปรากฏในสมัยโบราณในประการรุ่นอัตถกถาก็เคยเขียนไว้ในอัตถกาถานที่แต่งในลังกานี่แหละเขียนไว้ว่าลูกเทวดามายส่มามาใส่บาดหรืออย่างพระม้ากัดศึกท่านเข้าวิโรฒสมาบาติ พอออกจากนิโรดนี่เทวดาจ้องมันใส่บาตพระอินทร์ถึงจะแปลงกูรูมาเป็นมนุษย์ธรรมดาชายแก่มาทําอาหารใส่บาตพร้อมกมีอแปลงเป็นตาแก่ยายแก่มาใส่บาทารพระว่าก็จะจับได้เพราะติ่นอาหารนเป็นกลิ่นพิดหองหวนผิดกลิ่นมนุษย์สามันจึงลูกอ่อนกินเท้าวาสร ะ, ะเนี่ยยังมาชิงบุญกับมนุษย์ข้าเนี่ยเราจะไปปด้ตรวจคนยากคนจนนี่มาชิงบุญซะก่อนต่อว่าพระอินทร์มาต่อมาอย่าทำลูกที่เราเอ เล่นแสดงว่าความแบบนี้น่ะอาตมาไม่ชอบนะเพราะจะไปโปรดพวกมนุษย์เรานี่ท่านก็มีบุญหนักสักใหญ่แล้วขังตะไลเลยยังไม่อิ่มบุญหนูตัวยังจะมาชิงตัดหน้ามนุษย์ใส่บาทอาตมาอีก อ, าอา่าอ่าพระอินทร์ก็บอกว่าโทษก็พระอย่างพระคุณเจ้าน่ะใครเนอที่อยากจะไม่แย่งไส่บาทเพราะใครใครก็รู้ว่าใสบาดกับรคุณแ ล, แล้วก็บุญของพวกนั้นจะวัฒนาผาวนวรมินโยยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าว่าจะคนจะไม่แย่งเลยเทวดายอย่างกระผมก็ยังอยากจะแยง่งว่างเงันว่ากับพระมหากษัตริย์อ่าเรื่องนี้ก็ไป็นึ่ง อำนาจฌานสมาบัติแต่พระที่มีฌานสมาบัติสูงๆไต่อกายคิดเห็นกายคิดกายคิดก็เห็นพระองค์นั้นองค์นั้นก็เห็นกายคิยดลูกใส่บาตเป็นลูกธรรมดาเป็นไปได้เป็นไม่ได้ครับเวลานี้ก็ยังมีอยู่แต่ไม่ใช่ข้าวีนะมันใช่นะละลายใช่ไหมลุงิไม่ใช่ไม่ใช่โคตายีนะครับผมคนละลายนะฮะเลยที่ว่ามีอยู่แล้วมันจะโคตายีรักก็ไม่ทราบว่าเป็นท่านผู้ใดมีนะมีแน่ ท่านผู้นหนึ่งถามมาว่าในการปาตักคาถาทุกครั้งคำขึ้นต้นคำแทนตัวผู้พูดจะใช้กับเด็กจะใช้กับผู้ใหญ่จะใช้กับคนส่วนมากทั้งเวลาสรุปเราจะใช้อย่างไรจรึงจะไม่ทำให้เราเจ้อเขินเพราะต่อไปจะต้องได้ไปใช้แล้วในข้อนี้ก็ดูต้อ ง, องดูบริษัทนะครับสมมติว่าถ้าคุณเจ้าไปพูดไปพูดกับเด็กก็ควรได้คาแทนชื่อว่าเธอผู้กับเด็กเธอ เด็กนักเรียนเนี้ยเราใ้คำไม่ว่าญิงวัยชายเราใช้คํววาคว่าเธอเป็นเหมาะที่สุดเหมาะกระถางรูปที่สุ ด, สดใช้คําว่าเธอเธอทั้งหลายชื่นต้นว่ะอ่าเธอทั้งหลายจเจริญมพรให้กับเธอทั้งหลายเนี่ยขอความสุขสวัสดีจงมีแกอ <ๆ S 1> ่าเธอทั้งหลายหรือว่าจงมีแกนักเรียนทั้งหลายก็ได้ถ้าเราไม่ตอาเราพูดถูกถึงใบกุลใช้มันนักเรียนถ้าพูดโดยเฉพาะให้คําว่าเธออยๆๆ่างนี้ก็ได้นะถ้าใช้กับผู้ใหญ่คาแทนตัวผู้พูดก็ใช้อัตมานี่เป็นเหมาะ นะฮะถ้าพูกับเด็กนักเรียนเราใช้คำว่าฉันก็ได้พอใช้คําอาตมาบางทีเด็กอาจจะไม่รู้บางคนไม่รู้จริงๆอาตมาไปแล้วว่าอะไรสำหรับเด็กเนี่ยพอใช้คําว่าฉันพอใช้กับผู้ใหญ่เราใช้อาตมาอันนี้เป็นคําใช้ทั่วไปนียครับถ้าใช้กับคนสูนมากคำสรรพนามก็อ่าข้าพุทธชนทั้งหลายคําว่าฉันใช้คำว่าสาวุชนเป็นคํำกลางขึ้นเหมาะเหมาะเหมาะดีที่สุดใช้ได้ทุกบริษัทคำว่าสาวุชนไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตบริษัท รือว่าบริษัทสามัญชาวบ้านตารวจยุติสาเราใช้คําว่าอาวทุชนเนี่ยเป็นการครอบร่างแหกคุมไม่หมดเลยเป็นคํายกย่องใครๆก็อยากจะเป็นคนชาผู้ชนถ้าจะพูดให้มันคนขมขำซะหน่อยหนึ่งเล่นคำโน้นซหน่อยหนึ่งอาจจ ะ, ใ ช, ะ, ษษชะใช้คำว่าดูกระสันชาวทุชนหลายกระดาบให้คำวาดูกระสันเป็นการปลุกปลุกไอความสนใจเอ้ยถ้าคุณเจ้านี้ขุดแปรมีคำว่าดูกระสันก่าเก่าดีนี่เอาขยับาานี้กระดับอย่างนี้นะฮะ <laughs> แล้วส่วนคําลงท้ายเนี่ยก็เป็นคำให้พรตามธรรมดานะครับคำมาคำให้พรตามธรรมดานะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกท่านสมุแชแคมพละธรร ม, มูถามมาจากนครศรีธรรมราชบอกว่ามนุษย์มาจากไหนนะฮะมนุษย์มาจากไหนท่านตอบว่ามาจากตัโลกป่าบแล้ว เทวดาที่อยู่ในสมวโลกนะั้นมาจากไหนก็นั่นนะสิก็ผมก็ผมต้องเลี่ยนท่านทราบว่าถ้าเร า, าพยายามไปใส่ฟ้าลุ่นต้นตอมั้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าต้นตอของต้นตอของต้นตอไม่มีที่สิ้นสุดดังที่ว่ามาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปคิดมันเป็นอจินตไตยม่โลกอจินดาให้คิดแต่ลุ่มทบุบกับความทุกขบดีกว่าถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วเป็นการเหนื่อยเปลา่าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตก ห้ามคิดเป็นไอจิตนตยาท่านว่าไว้อย่างนั้ น, นผมก็ไม่ทราบเขาข้อนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันเป็นไ อ, นพอพจินตยาเหมือนกันเพราะบริจาคห้ามคิดถื้นคิดไปก็มีส่วนแห่งความฟูฟงซ่านท่านว่าอยางนั้นไม่กล้าคิดข้อ น, นี้แต่ว่าถ้าขอจะแย่งอีกนิดหนึ่งถ้าจะไม่ตอบเสเลยเราก็ควรจะแย่งหน่อยนึงบอกว่า มันไม่บอกทไมว่ามาจากไหนเาตอบได้อันเดียดลัลหลักเขาจะกลุ่ว่าบาทมาจากอวิชาตอบได้อย่างนี้มาจาเจ้าวิชาเนยแหละถามมาอวิชามันจะไหมกับบอบว่ามนจะอาสวะตอบนะมันจะอาสวะหากคนธรรมมาธิฐานเลยถามาอาสวะมาจากไหนบอกว่ามาจากอวิชาอ่าวข้าวจะไมมาจากอาสวะวนเวียนอย่างนี้ใครเกิดก่อนใจใจเกิดก่อนใครเนี่ยใครมาจากใจใจมาจากไขย้อนนี้ แล้วใครจะรู้ว่าไข่เกิดก่อนไก่หรือไก่ไก่เกิดก่อนไข่ไข่ก็มาจากายไก่ก็มาจากไข่เนี่ยเราย้อนบอกอย่างนี้ต่อเข้าไปอย่างนี้ก็แล้วกันโยนกองไปให้จะอาวิชาแล้วต่อจากวิชาก็โยนให้อาสวะต่อจอากวิสอาสวะก็ย้อนมาห า, าวิชาอีกแล้วก็ไปหาอาสวะอีกดอกย้อนกันอย่างนี้แหละ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 ให้ใครเขาตอบกลับมาให้เราทราบว า, ายคขายกันไก่ในะอันไหนเกิดก่อนใครตอบได้หมดหลแล้วก็ตอบปัญหามนุษย์คนแรกหรือ ค, คนเพิ่มคนนี้เกิดเพราะโลกได้คนแรกให้เขาทราบนี่เปวิธีที่เราต้องปรับปรุงให้เข้ากาับไอสถานการณ์พอแล้วครับปัญหามาันวันนี้กูจะตอบไม่หมดนะฮะเท่าที่บรรยายมานั้นมีท่านเจ้าอธิการถนอมถามมานะครับ ทิตาอยู่โกถามมาเท่าที่ได้บรรยายมานั้นมีตอนหนึ่งความว่ามนุษนนออญญนย์ษที่เกิดมานั้นต้องอวิญญาณจิตชาติก่อนมาด้วยตัดแล้มนุษย์ที่เกิดมานั้นกิริยาการหรือการกระทําทุกอย่างก็คงเหมือนชาติเก่าทั้งนั้นหรืออนหนึง่งจิตที่ติดมานั้นก็คงเป็นอัตตาอัตามันหรืออย่างไรไม่ใช่อาัตามันครับเพราะจิตที่ติดมาไม่ใช่จิตดวงเก่าเป็นจิตดวงใหม่ซึ่งเกิดจากเชื้อดวงเก่าคนละดวงคนละขณะ เพราะนั้นไม่เป็นอาตมันถ้าเป็นอาตมันแล้วไม่มีเป็นดวงดวงหรือเป็นขณะขณะคงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเลย ย, าย้ายไปก็ย้ายมาไอคนนั่นแหละนี่แต่ว่าลักษณะการปฏิสุนที่ในพุทธศาสนานั้นเป็นขณะขณะขณะปฏิสุนที่ขณะหนึ่งขณะจิติขณะหนึ่งแต่ว่าทั้งสองขณะนั้นมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องเชื่อมเหตุปัจจัยที่ว่านี้คือกระแสของตรรมกรรมโสตปัญหาโสตเป็นเครื่องเชื่อม เชื่อมต่อระหว่างปฏิสุขีกับจุติระหว่างจุติกับปฏิสุขีนะส่วนที่ถามว่ากิริยาการคุยเหมือนชาติเก่าไม่เหมือนสิครับสันดาลนี่สิครับแก้ไม่ได้เอามาแต่ชาติเก่าสันดานสันดาลนั่นาามาแต่ชาติเก่าแน่ไอ้กิริยาการนะักเป็นเครื่องอบรรลใหม่ในชาตินี้เช่นว่าชาติเก่าผมไม่เกิดเป็นแขกชาตินี้มาเกิดเป็นไทยจะอากิริยาการของแขกในชาติเก่าพูกไปก็สันหูไปไม่ได้ แขกเวลาพูดนะ่ะคํารับนะเขาสคอนหัวนะคนที่ไปเขายังนึกว่าเอไอ้บังนี่พูดทีไรปฏิเสธหัวปฏิเสธเอาทุกทีไม่ใช่สมมุติเราพูดว่าบังอยังงี้นั่นอย่างงี้นะถ้าเขาไม่ตอบว่าใชา่หรือจ่าจ่าจแล้วก็เขาจะใช้วิธีข่มที่สารลับอย่างนี้อย่างนี้คงเงี่ยคงลับคนที่ไปอินเดียใหม่ๆนึกว่าเออ ย, ยังไงกันนะพูดจาไม่รู้เรื่องพูดกันทีไรคงหัวปฏิเสธทุกทีไม่ใช่ปฏิเสธเขาคงรับ ตนนี้มาเกิดเป็นคนไทยแล้วตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่อบรมด้วยระบบรำเนียบประเพณีไทยกิริยาการก็เป็นไทยสิครับกิริยาภายนอกเกิดจากการอบรมไม่ใช่เกิดจากสันดานเรื่องสันดานการหักล่าที่ติดมาจากชาติพาก่อนสันดาคนคุณมันสมบัติจําใจเนี่ยติดมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าแขกบอกรัหังแล้วก็สันดานแล้วก็ติดรื่นของชาติเก่าวติดมากิริยาการเป็นเรกอบรมใหม่ได้ในชาตินี้ตามประเพณีวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ อท่านผู้หนึ่งคือท่านพระจํานงประพัทธโรแห่งประจวบคีรีขันธ์ถามมาว่าศาสนาที่มีแหล่งกําเนิดในเอเชียใต้หรืออินเดียนั้นมีศาสนาสิกรวมอยู่ด้วยศาสนาสิกนี้แบบเดียวกับฮินดูหรือเปล่าและคําว่าสิงกับสะฮิตารีนั้นมีความหมายอย่างไรอศาสนาสิกนี่ยก็มาจากคำว่าศาสนาที่เป็นลูกศิษย์นั่นเองศิกขะหรือศิษาหรือศิษยะคำเดียวกันละครับ เป็นศาสนาใหม่เพิ่งเกิดมาเราราวตัก400ปีมานี้ 3-400 ปีมานี้แหละเราเราไม่ไม่เกิน500ปศศศีศาสนานี้นะครับเกิดขึ้นในอินเดียตื่ขึ้นเพื่อต้องการผสมคติธรรมของฮินดูกับอิสลามให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้เป็นต้นลัทธิชื่อว่าครุมานักเทศศาสนาครุนานักเทศ เป็นชาวอินเดียภาคเหนือครุนานักเทศเนี่ยอ่าคำขวัญประจําศาสนาีที่ครุณาเป็นผู้ประสิทธิประสาทคือคําว่าไม่มีฮินดูไม่มีอิสลามมีแต่พระวิญ้าที่เป็นองค์แห่งสัจจะพระวิจ้าในศาสนานี้เรียกว่าอัตตาลบรุษอัตตาลบรุษคือบรุษที่ไมมีการอธิบายไปอธิบายมาก็คือพระพรหมนั่นเองถึงไม่จะเรียกชื่อเช่นใหม่ ความจริงก็มีลักษณะคล้ายคล้ายพรมในฮินดูนะาศาสนานี้เกิดขึ้นในสมัยที่ศัาสนาอิสลามเข้ามาเป็นอย่างในอินเดียแล้วก็มีการกดขี่พวกฮินดูให้เปลี่ยนาศาสนาครุนานัทเทพจึงต้องการจัดสมานสมคธิระหว่างาศาสนาสองสาศาสนานี้ได้ตั้งาศาสนาลทัทธินี้ขึ้นมาอาผลก็คือว่ามีลูกศิษย์ทั้งที่เป็นฮินดูทั้งที่เป็นอิสลามแต่ว่าผลแห่งการรวม ศาสนาแทนที่จะประสานสมัครีสําเร็จกลับกลายเป็นว่าได้เกิดศาสนาใหม่อีกศาสนาหนึ่งคือศาสนาที่สามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการรวมศาสนาก็ดีการรวมมีกายก็ดีไม่มีทางสําเร็จได้ในโลกยิ่งรวมไปยิ่งแตกแยกกลายเป็นมีกายที่สามนี่เป็นศาสนาที่สามขึ้นมานี่นี่เป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์นะเพราะว่าหนึ่งจิต ใ, ใจนะ่ะใครจะมาบังคับกันไม่ได้ถึงแม้จะรวมกันในระยะแรกมันต้องไปแตกในตอนปลาย ศาสนาศิษจึเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นจากฮินดูจากอิสลามเอาคติธรรมทั้งฮินดูทั้อิสลามเข้ามาผสมผสานกลายเป็นศาสนาศิกแล้วก็ต่อมาถึงศาสดาองค์หนึ่งชื่อว่าโควินเทสิงซึ่งมีชีวิตในใ น, ในร่วมรัชสมัยกับพระเจ้าออรังเศสจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นกษัตรย์อิสลามปกครองนครเดดีในอินเดีย อาโดยทําทสงครามกับพระเจ้าอรังเศษโควินทสิงเนี่ยล้วเมื่โควินทสิง์ตายลงก็ไม่ได้ตั้งทายาทเป็นศาสดาต่อมาต่อมาศาสนาติดสายจากโควินทสิงก็ถือว่าสายจากโควินทสิงแล้วไม่มีศาสนาอีกแล้วคือเอาพระธรรมคำทีเรียกว่าอาทิคขันในศาสนาเป็นศาสดาทํานองเดียวกับพุทธศาสนาถืออาพระไตรปิฎกเป็นศาสดาเอาธรรมวินัยนี่เป็นอาปาคต์นี่เป็นศาสดา ศาสนาศิษยก็เอาคําทีอธิคันเป็นศาสดาแต่ว่ายังมีศิษย์อีกพวกหนึ่งได้แยกมีกายออกมาอีกเป็นนิกายที่สองนี่ว่านิกายนามทารีนิกายนี้น่ะถือว่ายังมีศาสดาที่สืบเชื่อมาจากโควินทสิงห์ไม่ขาดสายแม้กระทั่งปัจจุบันยังมีศาสดาอยู่ศิษย์จึงมีนิกายใหญ่ๆสองนิกายคือเราสังเกตนะจะบป็นสาวกในนิกายไหนนิกายที่โภคพาและมีแหวกทาง แหวกกลางอนะพวกผ้าสีต่างๆและแหวกกลางนิกายนี้เป็นมีกายที่ถือว่าถือเอาคำพีอธิคันเป็นศาสดาถือเอาศาสดาโคบินสถึงเป็นคนสุดท้ายส่วนแขกที่พวกผขาไม่แหวกกลางพวกเลยเป็นวงกลมใช้ผักขาวล้วนโผกไม่ใช้ภาสีโผลแล้วก็ไม่แหวกกลางด้วยแขกพวกนี้ยังเป็นพวกศิษย์นิกายนามัธารีถือว่า ยังมีาศาสนาที่สืบมาจากโควินสติ๊กกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่มาเมืองไทยบ่อยๆาศาสดาผู้นี้มาบ่อยๆศูนย์กลางของาศาสนาสิก์เนี่ยอยู่ที่เมืองอมริษาหรือเมืองสาอมรุตในปันจาบอินเดียาภาคเหนือติดกระชายแดนประเทศปาคีสถานนี่มีโบสถ์ทองคําสวยงามใน ส, ส, สักสิธกเป็นศูนย์กลางของาศาสนาสิก อ, อยู่ที่นั่นคำว่าสิงค์กับสิกคือไอสิง์งเนี่ยต่างจากคาว่าสิกครับ เพศิษเนี่ยแปลว่าลูกศิษยดยความหมายเขาบอกสิงในที่นี้น่ะเป็นคําที่ท่านศาสดาโควินทสิงย์น่ะบันทึกสถานขึ้นเพื่อที่จะปลุกใจให้บรรดาชาวศิษย์กับดาบสู้กับพวกอิสลามที่มาทําลายอพวกศาสนาศิษย์เขาเพราะฉะนั้นพวกที่ลงท้ายว่าสิงสิงสิงเนรู้ละพวกนี้เป็นพวกศิษเนี่ยพวกสิงสิงเนี่ยลงท้ายส่วนคําว่าปหิชตาลีเนี่ยเป็นคําความหมายของศาสนาศิษย์ เหมือนกันในานองตักสิทธิพุทธทํโรงไว้ซสุสนทรสนธิค่ะเนี่ยความหมายในข้อนี้มีอยู่อย่างนี้นะฮะท่านปุญญากาตาโมทิโคถามว่ามนุษย์นี้เกิดมาจากพวกพรมลงมากินงวนดินในต้นปฐมอมกับนั้นความจริงตามตามหลักพระอภิธรรมกล่าวว่าพรมนั้นไม่มีเพศหญิงเพศชาย นั้นจะเกิดมีลูกหลานสืบต่อกันมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ได้อย่างไรอข้อนี้คืออย่างนี้ครับพวามโสมกินแล้วก็ความเป็นโสมเสื่อมเพราะกับพรหมโลกไม่ได้เสื่อมหมดแล้วการเป็นมนุษย์ไปลักษณะนี้ก็ตกโอภาษ์ก็ไม่มีหมดหมดฐานะความเป็นโสมการเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วต้องถือว่าจุติกับพรหมโลกแล้วโดยพฤติไนเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยข้อนี้ครับอ่าท่านสุตะวังโสพิขุถามมาว่า มีคนคนหนึ่งมีมัจฉริยะคือธรรมดาแล้วขี้เหนียวเหลือเกินแต่ตรงกันข้ามเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นคนใจบุญสุนทานคือทำบุญไม่อัน้นไม่ว่าใครจะให้ทำอะไรเป็นทำทั้นั้นอยากทราบว่าเขาพู้นั้นจะได้บุญหรือไม่อธิบายด้วยจะได้บุญหรือไม่ต้องอยู่ที่วาระน้ำจิตในขณะที่เขาทำไปนะ่ะเขามีความรู้สึกที่เป็นจาคะหรือเปล่ามีความทำไปแล้วรู้สึกท่องใสในกรรมที่ตัวทำไปแล้วหรือเปล่า ถ้ามีความรู้สึกเป็นจาระในขณะที่ทํามีความรู้สึกที่พองไสก่อนทํากําลังทําและทําแล้วเป็นบุญร้อยเป็นพาะว่าคนกินเหล้าน่ะบางคนกินจนอาจินน่ะคลองสติไม่ได้ก็มีนะครับกินจนนั้นเนี่ยกินน้ำน้ำข่านา้ำปละปาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเลยแม่โข้งขดต้องขดเนี่ยสติสัมปชัญญะยังไม่ถึงกับเสียไปก็มีถ้าในกรณีอย่างนี้แล้วก็าอาจจะมีความรู้สึกพอใจเป็นสุขว่าเขาได้ทําบุญถ้าอย่างนี้เขาก็ได้สิครับ แต่ถ้าไม่มีความรู้สึกดังกล่าวก็ไม่ได้ไม่ได้ทําปดึกโมหาเนี่ยไม่รู้เรื่องทําไปยังไม่รู้เรื่องนี่ใครมาว่าแล้วก็ยกย ก, ยกสงสงให้ไปถึงจะได้ก็แหมพูดยากพูดยากจต็มทีนี่ก็จะไม่มีความหมายเลยนี่สำหรับข้อนี้นะครับท่านโพโพสีพิขูถามมาว่าราะวังกับจิตต่างกันอย่างไร ทำไมพระเดี๋ยวนี้จึงทำระวังจิตไม่ได้และมนุษย์เราสามสิบสี่สิบฟีทำไมจึงไม่มีลูกหรือเป็นเพราะจำแต่งจำกัดสัตว์เท่านั้นอ่า ะ, ะวังกันเถอะระวังนะภาวะน่ะคือความมีความเป็นทัานดังเวนส า, ามกรรมภาวะอรูปภาวะอรูปภาวะการมะพุทธอรูปภ พ, ปพนะฮะส่วนจิตน่ะหมายถึงธาตุรู้ธารู้ธรรมชาติดายรู้คิดรู้นึกปรงแต่งในอารมณ์ เก็บสั่งสมได้ในอารมณ์ธรรมชาตินั้นคือวิจิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงพพก็ต้หมายถึงจิตเพราะพพเรากําหนดได้จากภูมิของจิตถ้าไม่มีจิตแล้วพพก็ไม่มีความหมายนี่เพราะฉะนั้นพวังพระวังกับจิตเนี่ยเมื่อบวกกันแล้วก็เป็นภระวังกับจิตก็บวกกันแล้วก็เป็นพวังกัจิตหมายถึงจิตที่เป็นองค์ของภพหรือจิตผู้ครองภพคือครองความเป็นเจ้าในกามาภ พ, ร, ร, พรูปภพอรมณ์ภพ เด็กเป็นอย่างนี้ ท, นนนที่ท่านถามบอว่าทำมันแคดนี้จริงทํำผวังจิตไม่ได้ทำมันจะทําไม่ได้ครับเรามีผวังอยู่ทุกขณะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยพลังพระคุณเจ้าก็มีผวังกันตั้งกี่แสนกี่แขณะก็ไม่รู้ทบทบวิถีที่เรารับอารมณ์เมื่อจะตื่นอารมณ์อารมณ์หนึ่งจิตต้องผวังก่อนทุกครั้งไปทําได้แล้วไม่ต้องตั้งใจทํามันเป็นอตนัตโนมัติเป็นไปเองด้วยครับท่านมันเป็นเอง ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจทํามันด้วยมันไปอัตโมเต็กขึ้นไปเองเมื่อสุดวิถีจะเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมันต้องลงผวังแล้วก็ขึ้นรับอารมณ์อื่นหมายแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงวังอีกทำให้ลงผวังตราบใดเปลนอารมณ์ไม่ได้ตราบนั้นเนี่ยเพราะนั้นมันเป็นอัตโมิเต็กโดยธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปตั้งใจทำมันก็เป็นอยู่แล้วครับเรื่องนี้ที่ท่านถามนะคงจะหมายถึงอยู่กระทําสมาธิกับมังครับเขาวางสิจไม่ใช่สมาธินะครับไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิสมาธิต้องอยู่ต้องค้นผวังาไไม่่ธิด้ ไม่ฌานนวิถีนะ่ะจิตต้องจิตต้องขึ้นจากผวังแล้วในฌานนวิถีนะ่ะจิตตกผวังไม่ได้ถ้าตกผวังก็ไม่ใช่ฌานไม่ใช่อยู่ในฌานในสมาธิจิตก็เหมือนกันจิตลงพวังไม่ได้จิตเข้าผวังนะครับก็ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านพูดธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่อภิธรรมพูดจิตเข้าผวังก็คนที่ว่า นั่งตลุ้ไม่รู้หรือหนูหนอยไหนนั่งเบมอไอ้คนนี้กำลังตกขวังอยู่นั่งเมอความหมายชาวบ้านเนี่ยนั่งเมอตาลอยไม่เป็นส่งใจลอยไปไม่ทีไหนก็ไม่รู้นี่ติดตเข้าตกขวังกําลังตกภวังอยู่คุณคนนี้รู้คนที่หลับสนิทหลับสนิทเจ้มีฝันก็ตกขวังนี่แต่ถ้าตามทศนะทางอภิธรรมแล้วคาว่าตกขวังเน่ะเป็นทุกขณะที่เปลี่ยนอารมณ์เลยวันหนึ่งมันก็กรกีโกรกีกี่ร้านขนาดก็ไม่รู้วันวันหนึ่งนี่ เราะฉะนั้นี่ตามแนวปรามัก็เป็นอย่างนั้นนะครับไ ม, ไม่ไม่คล้ายสิครับคล้ายไม่ได้ทีเดียวอะเพราะว่าจิตตกผวังนะ่ะจิตมันว่างไม่ได้ในผวังก็ยังมีอนุสัยกิเลสในาวัางก็ยังมีตรรมกรรมมิอารมณ์นิมิตกรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์อันใดอันหนึ่งอยู่นี่ครับจะไปจะไปว่างจากโลภะโทสะโมหะไม่ได้ในาวัางนะครับเอ อะไได้อันนี้ก็ท่านเล่าครับถ้าอย่างนั้นจำนยังจำไม่ได้อย่างไรล่ะถ้วังไม่ได้ต่อจะไปเป็นสมที่กันในขณะที่จิตติกิจปิณะขณะนั้นเราก็มีอนณูไฟอยู่ในจิต ต, นะจติกิจนั้นจิตติกิจน้ำพิงทำมาสิเปลี่ยนภพตัวเองนะครับเปลี่ยนภพตั่นเองคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆคนเรานี่ยเปลี่ยนยูนิฟอร์มออกจากตัวเท่านันเองพอยูนิฟอร์มทหารออกเอายูนิฟอร์มประชาชนสามัญราษฎรธรรมดาแต่งสากล ถอดจากสาคนเอยู่ใฟอร์มาหารใส่เปงการถอดยูนิฟอร์มนั่นเองได้แล้วเปอเซ็นเลยอนุสัยนะ่ะเป็นจิตตะัำตะยุตเป็นสารรมนิชธรรมอนุสัยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับลูกปรามไม่ได้ไม่ค้นน า, า, างาระทานจะแฝงอยู่กับลูกปราไม่ได้ วาสนา่าันเิต้นเไม่ได้อยมีอะราม่สมุทครับวาสนานี่เราไม่ถือเป็นกิเลสนะครับไม่ถือเป็นอนุสัยอุปมางี้อุปมาว่าปูกแล้วอบด้วยมะเครื่องหอมอบด้วยเครื่องหอม อบมานานแล้วต่อมาเราเลื่ อ, เ, อเครื่องหอม น, นั้นออกกลิ่นหอมยังติดตู้อยู่ชั้นใดวาสนาก็งชั้นนั้นแม่จีเรจะถูกถอนแล้วคือเลื่อเอาเครื่องหอม น, นั้นออกไปแล้วทิ้งไปแล้วเผาไปแล้วแต่ความหอมยังติดอยู่เป็นวาสนาไม่ได้ถ้งว่ารูปไม่ได้ครับกิเลสรจะอยู่กับจิตเกิดกับจิต ด, ดับประจิตไม่ใช่เกิดกรรับลูกดับกับลูปไม่ได้เพราะสารีโมทยากระโดเนี่ยกระโดดด้วยใจท่นนะหักล่ะ อานุสายราันสภาวะาระจำนาเพราะอนุสัยนี่น่ะอุปมาเหมือนเมล็ดมะม่วงเมือเป็นเมล็ดมะม่วงอยู่เรางมองไม่เห็นต้นใบเป็นเกษตรศึกการทำดินดองอย่นั้นใช่ไมสันถานนั้นใช่ไมฮะตอย่ากจะอบอกว่าเมล็ดมะม่วงเมี้น่ะบอกมีต้นมีใบใช่ไหมผมตอบท่านไม่ได้ขณะที่ น, น Marvin, o, ีไม่มีต้นใบ มันต้องมีเหตุปัจจัยมาฟ้องมา่อนต้นมาถึงจะรอกเหมือนกันเหมือนกัมึงมือกันที่ท่านถามบอกว่าอ่าอนุสัยในปะเด็นเศรษฐกิจทำอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกับประเด็นนี้แหละถ้าอย่างนั้นน่ท่านนายจะตังปัญหาบอกว่าโสดาปฏิมรคเศรษฐิจโสดาปฏิโครคิจอนุย์สายมีหรือเปล่าถ้ามีทําดําทําขาวทําดําทําขาวฝังคะกันเน่ไม่ได้ มัคคิสติโพลิกิยังมีอนุสายขึ้นเป็นอารมณ์หรือเปล่าอนุสายเป็นเจตสิกหรือเปล่าถ้าถว่าอนุสายเป็นอารมณ์อนุสายเป็นเจตสิกธรรมแค่งั้นทาดคําขาวสังฆะกันผิดหลักของสภาวธรรมนั่นแหละข้าพเดินยสีงและส่นันานนี้อ่ะ่ลนะลน่ะอนุสายกิเลสนะ่ะมีอยู่ในโสดาบุติมัคิตโสดาติผลิิตก็มีเ พ, พ ร, าาระโสดาน่ะตัดแต่สังโยชน์ต่ำสังโยชน์โสที่ท่านตัดไม่ได้ จะหายไปไหนเสิ่งถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยอ่าถ้าไม่มีเลยงั้นโสดาปฏิมรักขจิตโสดาปฏิพลรจิตจะต่างอะไรกับอรหันต์มั้ขจิตอรหัจะลจิตล่ะจะต่างอะไรกันถ่าหากว่าไม่มีทั้งโย่อคุถึงก็ไม่มีในขณะนั้นแล้วก็จะต่างอะไรกับมรรคจิตพลรจิตก็เพาะอรหันต์ต้องมีอะไรต่างกันสิไอ้ข้อต่างกันก็คือว่าแม้ในขณะโสดาปฏิมรักขจิตโสดาปฏิพลรจิตนั่นแหละอนุสัยก็มีอยู่ด้วยเลยขณะนั้นในขณะนั้น่ะ อนุสัยเหล่านั้นอ่ะไม่มีพฤติกรรมต้องพูดอย่างนี้ไม่มีพฤติกรรมหมือกับเม็มดมมวงเก็บเอาต้นใบเอาไวา้ขณะนั้นชี้บอกว่าไหนชี้มเม็ดมวงมาให้ดูสิชี้ไม่ได้ผ่าก็ไม่เห็นไปผ่าไปเปนกก็นซอยเม็กมะม่งออกมาก็ไม่เจอต้นเจอใบต้องรอปัจจัยมันเล่งเล่าเสียก่อนมันไม่ยังงอขึ้นมาชั้นใดขณะมรรคจิตเพราะเรตผิดของพระรยามูคนเื่องต่ําก็่ชั้นนั้น แบบนี้อ น, นุสัยหนงที่ท่านว่านิแหละุสยีหมดนิแหละ ว, วาสนาเสรจนะอยู่มาเลื่อยแต่วาสน้ํา่ใช่อนุสัยนะเดี๋ยวมาต้งการอนุสัยนครับวาสนาเนี่ยวาสนาทาไปโดยที่ไม่มีเจตนาเป็นเครื่องสมบัติเลยท ไ, ได้วความเคยชินเพราะว่าอบรมมานานหมุนกับเราอบเครื่องหอมในตู้หรือเอาเครื่องหอมออกออกตู้ก็ยังหอมอ่าวันนี้ได้สามทุแล้วครับเห็นจะพอทุนควรแ่เวลานะครับปัญหาตอกข้างไว้ก่อนนันเองพอเสร็จตรงเช่นนี้หนบานั้นจะเลื่อนที่ละเอียด เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งบืนที่แล้วได้พูดค้างเอาไวา้เพราะว่าไม่สำำามารถจะพูดเดสกจบนในระยะเวลาเพียงชั่วโมองเศจได้จึงต้องมีภาคสองที่นำมาพูดในวันนี้ต่อมาสำหรับปฏิจจสมุสาาทรบาตรธรรมนั้นท่านี่ไม่มาฟังเมื่อเช้าก่อนอาจจะมีอากาศฟังต่อเนื่องกันเราจึงขอตวนไปสู่ข้อกางสำคัญในครที่แล้วที่ได้พูดค้างเอาไวา้ ข่อสอนอื่นเราต้องทำความเข้าใจในจับทองับจับหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทธรรมอันหนึ่งอีจับหนึ่งคือปฏิจจสมุปปันนธรรมอีกอันหนึ่งปฏิจจสมุปบาทธรรมหมายถึงว่าธรรมที่อาศัยกันเกิดพร้อมกันปฏิจจสมุปบาทธรรมคําว่าปฏิจจมีอาจื่าอาศัยหรือความกระทบรวพร้อมแห่งเหตุแต่คปฏิจจหมายแปลว่าอาศัย อาศัยอะไรไอาศัยความประจุกันเกิดขึ้นร้องแห่งเหตุอุปาระคือความเกิดขึ้นเ anyway. มื่อเข้าตรงที่แล้วก็เป็นปฏิจจะบวกถังบวกอุปาระเป็นปฏิจจสมุปาระแปลว่าทำที่อาศัยการประจุร้องกันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปารธรรมแปลว่าทำที่อาศัยความประจุร้องกันเกิดขึ้นที่อันหนึ่งปฏิจจสมุปปนะธรรมคือปฏิจจะบวกุปปนะ แปลว่าทำซึ่เกิดขึ้นจากทำอันอาศัยปัจจัยประจุมท้องกันแล้วเป็ปฏิจจสมุปปันธรรมนี่อันหนึง่งเพราะฉะนั้นจับว่าปฏิจจสมุปปานธรรมหนึง่งจับว่าปฏิจจสมุปปันนะธรรมอีกหนึง่งเราจะต้องแยกแยะอ่าให้เห็นข้อความแตกต่างในระหว่างธรรมทั้งสองอันนี้ในมติเรื่องอาตกะถา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านขดันต่าพุทธเต๋สัได้อธิบายในยะของปฏิจจสมุปบาทไร้ทำไว้เป็นสื่อนยยะเดวยกันเพราะอันที่จริงถ้าเราพิจารณาดูในอาคตะสถานในบาลีปะกรขั้นก็จะเห็นว่าในมหาวิธานวิเศก็ดีหรือว่าในสมัมยิตติกาลทานวะก็ดีเราจะเห็นว่าพระผู้มีสภาพแสดงปฏิจจสมุปบาทไรรม นัยยะแตกต่างกันบางครั้งคงแสดงโดยนัยยะสิบองค์ครบสิองค์บางครั้งคงแสดงโดยนัยยะแปดองคบอ์บางครั้งคงแสดงโดยนัยยะหกององค์งรงดงดธรรมะในปฏิจจิบานเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกแห่งไปที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นยักย้ายไปตามอัจฉรัยและภูมิธรรมของสตนที่ได้รับธรรมรสจากพระองค์นั้น แต่โดยปกแล้วเมื่อโฮงแสดงปฏิกจกรรมลปลาธรคอย่างเชื่อถึงคือแสดงอย่างเป็มภาคภูมิแล้วก็แสดงครบทั้ง12องค์ท่านแสดงตอพิชโคสักจึงได้เฉลยแก่ข้อข้องใจในเรื่องต่อ่าปฏิจกรปาธรรมนี้โดยนยะแตกต่างกันเพาเหตุอะไรเนี่ยแสดงตาพิชโคสั แสดงไหวในอัจฉรชื่อสมโมหะวีโนทีประกรณสโมหะวีโนีประมมก ร, โโรนัรนน่งเป็นอัจฉริยะวพังอภิธรรมวิพังิพังขับประกรซึ่งเป็นเล่นสำคัญเล่นหนึ่งในอภิธรรมปีหลบคเดียนั่นใหได้วยกันสีนายยะนายะหนึ่งเต้นแสดงตั้งแต่เบือต้นถึงที่สุดอัน น, า, นายะนี้เดียร่าอา น, นิโมาเทสนานา คือจับความตั้งแต่อวิชาปัจจญาตั้งฆ่าราตั้งฆ่าราปัจญาวิญญาณังเรื่อไปกระทั่งชาติปัจจญาชาบรณะโลกกับปริเดระลุคเดโมัณอุตายาสัพ้อนทั้งกองคุกประเนินมาแห่งตองทุกอย่างใหญ่เกิ ด, ดขึ้นทีเดียร์แสดงโดยไมยงนี้ครบทั้งสิบสององตั้งแต่อวิชากระทั่งถึงา่าเป็นที่สุดครบทั้งสิบสององนะอันนี้ดีกว่ า, วา อันโโ น, นี้เามาเทนาในแสดงตาอัน น, นี้เรามาเทนาในนี่เป็นระยะประการหนึ่งประการที่สงพระผู้มีพมระภาคทรงแสดงปฏิบจติเป็าฏิหาริย์ตั้งแต่ข้ามกลางไปถึงที่สุดข้ามกลางที่สุดคำว่าข้ามกลางใน ท, ท, ที่นี้จับความตั้งแต่เวทนาเป็นต้นเวทนท า, ปาปัจจียปัญหาเป็นต้นทเดียว ปัญหาปัจจัยอุปก า, านังอุปการาังปฏิจัตัวอื่นไปกระทั่งชาติราบวรรณะกับพริเด ว, วะที่จะเดมนัตอุบายากระทั่งเป็นที่ประมวนมาแห่งตองทุกกองบริมาอันเป็นผลสุดท้ายที่จับความตั้งแต่เวทนาทําไมที่พระองค์ามาจับความตั้งแต่เวทนาก็เพราะองค์ปราลาูกว่าศักดักนั้นท่านมีเวทนาเป็นจุด บ, บ้างเป็นทุบบนนกบ้างองค์โสมนัตบ้างเป็นโภมนัตบ้าง เมืเ่อตัวเวทนาตัวพุทโธเวทนาก็ย่อมเกิดปัญหาความติดใจในเวทนานั้นๆเกิดนันทิราคะความเพ้อเพลินนักในอารมณ์อันเกิดแต่เวทนานั้นๆประการหนึ่งถ้าหาว่าเจอพุทโธเวทนาก็ต้องการจะดิ้นรนที่พ้นไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเอาอารมณ์ที่เป็นพอใจเข้ามาแทนที่ก็ย่อมกมาจากปัญหาอีกประการหนึ่ง หรือแม้เกจากการที่โดยเดชเวทนาก็ยังมีโมหะเป็นอันุสัยเพราะว่าเวทนานั้นทุกเวทนามีราคะเป็นอันใสทุกเวทนามีปฏิฆาเป็นอันใสอุเบขาเวทนานั้นมีอวิชชาเป็นอันใสเวทนาทั้งสนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดีอุเบขาเวทนาก็ดีก็ยังมีอันุสัยตามนอนเรื่อง เพราะเหตุที่สัตว์ทหลายไม่กินหนูรู้ตามเป็นจริงในเวทนาอันเป็นวเกลืเมื่อเกิดตุกเวทนาก็ต้องการให้ดิบตุกยิ่งขึ้นเกินดนั้นที่ราคะเกิดเป็นปัญหาเพราะฉนเวทนาปัญิญาปัญหา ถ, าถ้าหาว่าได้รับทุกเวทนาก็อยากจะดิ้นรนให้พ้นไปเที่ยงอาการที่ดิ้นรนอยากให้พ้นไปเที่ยงพ้นไปเพื่อะไรเพื่อไปรองรับเอาความอาลัยที่แสดงกว่ า, า, า, วามาแทนที่ อาจารย์อย่างนี้ก็ยังเป็นอาจารย์ของปัญหาเป็นอาจารย์ของมันที่ราคะติดกลุ่มหนึ่งอันนี้ต่างจากอาจารย์นิพพานนะนิพพานอะความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพื่อต้องการความดับไม่ต้องการจะเอาอารมณ์ที่เป็นติดเข้มามาพ้นเว้นทุกตัวเลขนาที่ต้องการพ้นไปในวิสัยที่ปัดจะมีมันที่ราคะนั้นต้องการผลัดไออารมณ์ที่เป็นติดนี้ออกไปเพื่อเอาอารมณ์ที่ชอบใจมาแทนที่ คือต่างกันต่างกันกับ อ, า, อาการนิสิตาเราอย่าไปอย่าไปยำกับอาการนิสิตาคนที่มีนิสิตาเมื่อเจอนิสิภาก็ย่อมเบือหน่ายขั้งเบือหน่ายก็คลายกำหนัดขั้นคลายกำหนัด ก, ก็ย่อมหลุดพ้นขั้นหลุดพ้นก็ย่อมมียางเลยว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วบาปมันทิ้งขาขึ้นแล้วพรอาจ้าไม่จะตั้งทึกอีกต่อไปก็ไมู่ีอีกแล้วเป็นอันจบเป็นเพียงแค่นั้นนี่คืออาการนิสิตาส่วนอาการที่เป็นปัญหาอันเกิดในทุกขประภิไทยเป็นเป็นมือนั้น ั น, นอยากเจ็บเพิ่มจาพุกเวทนาอันนี้เพื่อเอาสิทธิ์เวทนาอีกอันหนึ่งเข้ามาแรกเพราะฉะนั้นทางการอันนี้จึงยังเป็นทางการแสบดิ้นซึ่งท่านเรียกว่าหายังเป็นวัดทับปาอันเป็นเครื่องหมายของกิเลสเครื่องกระติกใจไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นในระยะที่สองพระองค์เป็นกระแดงแตาาั้งแต่เวทนาข้ามกลางแต่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้ให้เกิดตัญหาตัญหาเป็นปัจจัยให้เกิด อ, อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข ทบเป็นปัจจัยเกิดราชารามนต์โศกั บ, บริษีว่าทุกขโทมนั้อุปาญาต์ตามมาเป็นโทนเดียรที่อันหนึ่งนี่เป็นนัยะที่สองนัยะที่สามพระผู้มีพระภาคจึงแสดงตั้งแต่ที่สุดถึงเรื่องต้นอันนี้ดีว่าปฏิโลมาเทศนาในที่สุดถึงเรื่องต้นคือจับความตั้งแต่ว่าอ่าทุกขโทมนั้อุปาญาตของเรานี้หนอมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยครั้งท้ายโยมโศมนตุน ก, การ ให้ควนพิจารณาดีอย่างนี้แล้วก็ประจักษ์ว่าถ้าพลาดนี่แล้วเป็นเหตุเราจึงไอ้ข้อใช้พลาดนี่แล้วเป็นเหตุเราจึงมีชรามีทุกข์กระโจนกับบริเทวาต่างๆข้างพิจารณาไปอีกว่าพลาดนี่หนอมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยด้วีโยมอนาปิกามให้ควรดีดีแล้วก็ประจักษ์ว่าเราทุกข์นี่เองเพราะว่าคือทุกข์เองซึ่ง <inaudible> ปฏิโลมขึ้นไปอีกคือย้อนขึ้นมาอีกว่าอพบมีอะไรเป็นปัจจัยมีอุปาเป็นปัจจัยอุปาทามีอะไรเป็นปัจจัยมีปัญหาเป็นปัจจัยปัญหามีอะไรเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยมีตราเยตนะเป็นปัจจัยตรายตนะมีอะไรเป็นปัจจัยมีพัทธะเป็นปัจจัยว่าต้นเรื่อยเรื่อยทีเดียวตามลำดับขึ้นไปนี่เป็นการย้อนเพลินขึ้นปฏิโลมปฏิโลมเคลินขึ้นไปีอันหนึ่ง คือตั้งแต่ว่าถ้ามีอะไรเป็นปัจจัยก็มาถึงบอกเป็นจากว่าพบพบมีอะไรเป็นปัจจัยก็เป็นจักว่าก็เพราะในอุปาทานอุปาทานมีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะปัญหาปัญหามีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะเวทนาเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะปัจจักรปัจจักมีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะว่ามีไอ้เจ้าสารายุตนะไอ้เจ้าสารายุตนะนี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะไอ้เจ้านามรูปนามรูปนี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็เพราะเจ้าวิญญาณวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยก็เป็นเพราะเจ้าสังขาร สังขารนี้อะไรเป็นปัจจัยก็เพราะจะอวิชชามาสุดแค่อวิชชาอันนี้เป็นปฏิเลมาเทตนาในเป็นสี่นายยะเดียดจันทร์นี่เป็นนี่เป็นนิตย์ของท่านแสดงต่ทุกโต๊ะใส่ที่ท่านแสดงว่า ย, ย่างพิสบาลในสำโภนาอิโมตานีวิฟังพระอัจฉระแสดงว่ายอย่างนี้นะพิธามพิจดแสดงว่ายอย่างนี้ถ้าในที่นี้เราขออธิบายถึง ลักษณะปฏิจจสม <ær> enfin ุปาทจะรตามมติในกายเสละวาาก่อนนั่นปฏิจจสมุปาทจะตามมติในกายเหลว่าเรานั้นมีภวะจักอันเป็นตัวการใหญ่อยู่สตัวคืออภิชาหนึ่งภาวะปัญหาหนึ่งอภิชาหนึ่งภาวะปัญหาหนึ่งในปัจจิกาตัะธรรมพาเวตัปปธรรมปะหาตัปปธรรมที่เรเองค์ทแสดงได้ ในอังคุกชร่างกายจะติดจะบาดแสดงไว้ว่าอ่าทำที่ควรกําหนดรู้ได้แต่อะไรควรกำหนดรู้เนี่ยได้แต่น้ำหนึ่งรูปหนึ่งน้มันจะรูปัจนจ่าน้ำหนึ่งรูปหนึ่งนี่เป็นทำที่ควรเข้าไปกําหนดรู้รู้เท่าพันนะอาทำ ท, ที่ควรละคืออะไรปาณนักปฏิบัติประหารนัปฏิบติเนี่ยคืออะไรน้ารูปนี้เป็นปริเวจิคือข้า ควรที่เขาไปกำ ห, ห, หนดใหมรู้มขาทหารตระพิจาร่าได้โองอวิชชาหนึ่งภาวะปัญหาหนึ่งอวิชชาหนึ่งภววาปัญหาหนึ่งนี่วหหนนควรแต่าการเข้าไปละเข้าไ ป, ปะหารทำที่นโยินารตระพิการณาควรเข้าไปทาให้แจ้งคืออะไรได้แต่อวิชชาหนึ่งทาที่ควรเขาไปเจริญ เ, เ, เป็นทาวเวตระิจารณาอบรมท่อื่นขึ้นคืออะไรคือมัคคิอุตแปเพราะฉะนั้นในที่นี้เราจะเห็นว่าพอเพลิงเป็นคแสดง อาพระตุกดาพิทธาธรรมเชนตัวกรับคือเมื่อเอาคํ า, าว่าเพราะว่าปัญหาอวิชชาจักรวาลปัญหาเนี่ยท่านว่าเป็นณอุปัตโตติเป็นณอุปัตโตติณอุปัตโตติแปลว่ามีเรื่องต้งตนมไนนม่ปรากฏเราจะสืบสาวเราเรื่องต้นต่อว่าอวิชชาจักรวะลปัญหานั้นมีปฐมเหตุอะไรเรื่องต้นมาจากไหน ไม่ปรากฏท่านท่านใช้ตับว่านักอุปกติภูมิทำไมถึงเอาอาวิชากับภาวะปัญหามีเป็นในฐานะ่เดียวกันความจริงก็เป็นอันเดียวกันเพราะวะ่าปัญหาใดอวิชาอันนั้นอวิชาใดราวะปัญหากอันนั้นแต่ท่านสแสดงโดยสองใ น, นยักษ์คือว่ากระเบงว่าตรับที่จะพึงไปถือปฏิปิพิในทุกขปิภูมิถ้าองค์องคแสดงโดยในยักษ์แห่งอวิชา ท ห, ห้อวิชาพาสัตไปปฏิบัิหน้าทในทุกขิติทหารก็สตัตจะไปปฏิบัติหในสุ ข, ขติภูมิพระองค์ทึงแสดงเดินในยะแห่งขวะัปัญหาขวะตัตปัญหาเพราะฉะนั้นอวิชานําสัตว์ไปสู่ปฏิบัติในทุกน้อยทุกใหญ่ภาวาภาวะทุกน้อยทุกใหญ่แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ถ้ามาคู่กับคําว่าขวะัปัญหาแล้วอวิชาในที่นี้ท่านหมายมุงอว่า ตปปฏิสนธเป็นตัวนำของสัตว์ที่จะพาไ ป, ไปสู่ปฏิสทธิในทุก ข, ขติภูมิตัวเพราะว่าปัญหานั้นมีหน้าที่นำสัสตว์ไปปฏิสนธิในทุกขติภูมิจึงอย่างนั้นเพราะเหตุว่าตัดได้ถึงจุดสกตะพิชีย่อมเจริญมานว่าเจริญมูื่นว่เพื่อหวังความที่เปรีเทียบในทุหน้าก็ดีเพื่อหวังเหมนว่าสวรรค์เป็นของเที่ยงก็ดีถึงนธรโลกเที่ยงก็ดี สัตมนั้นยอ่อมต่อวาระคดที่าวะปัญหาเป็นปัจจัยเป็นแม่นแท้มีภาวะปัญหาเป็นเป็นรากง่าเพราะว่าภาวะปัญหานั้นในมิเตท่านแก้ได้แต่สัพตทิฏฐิได้แต่ตัวสัพตทิฏฐินั่นเองที่ว่าภาวะปัญหาย่อมพาสัตไปท่องเทื่อวในภพใหญ่ภพน้อยเป็นลำดับไปที่อันหนึง่งแต่ว่าอีกอย่างหนึง่งแสดงด้วยอํานาจอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารโดยลำดับนั้นแสดงแต่สัตว์ผู้มีทิฏิตรี สัตว์ใดที่หนักในทิศตรีศรีเป็นแสดงอวิชาเป็นลำดับต้นในปฏิจจสมุปาณาธรมเป็นลำดับให้ความแต่สัตว์ใดทามีตัญหาจริตเป็นเชื่อมูลก็เป็นแสดงภาวะปัญหาเป็นเหตุต้นเป็นลำดับให้ความนีเป็นความยับย้ายแตกต่างกันระหว่างอ่าวะจากรสอกล่าวคืออวิชากับภะปัญหามาคู่กันนะต้องแยกแยะกันอย่างนี้แต่พระฤาษีทั่วทั่วไปแล้ว ก็เป็นแดงอวิชานี่แหละเป็นต้นรากง่าต้นต อ, อของวัตถะ ท, ทั่วๆไปแต่โดยในยักษ์พิเศษในกรณีที่ว่าถ้าพุกทุกครับทุกตะคดที่มีคําว่าอวิชาราะภาวะปัญหามาคู่กันแล้วก็ให้ทําความเข้าใจอย่างนี้ว่ามีอาธาิบายแตกต่างกันอย่างนี้ว่าอวิชารือเรื่องต้นนั้นเป็นแสดงใจตรัสผู้หนักในพิกิจริษถ้าหากว่าเป็นแสดงปฏิจจสมุปาภิธานโดยในยักษ์ในภาวะปัญหาเป็นเรื่องต้นนั้น เป็สแสดงต่ศาสตร์ที่หลักในปัญหาจริตอาอศั ต, ตร์ออที่จะไปถือปฏิสังขีในสุคติภูมิเป็แสดงโดยปราบนาวคืออวิชาศาสตร์ที่จะไปถือปฏิสังขีในสุคติภูมิเป็แสดงโดยราบนาวคือภาวะปัญหาอันนี้ให้ทำความเข้าใจในข้อแตกต่างระหว่างคําว่าอวิชากับภวะปัญหาที่มาคู่กันในใ น, ใ น, ใ, นในยักษ์อันนี้เบื่อแต่ว่าในที่อื่นไปแล้วก็สกแสดงอวิชากับภาวะปัญหา ทานให้คาว่าหนุปตกติมีเรื่องต้นในปรากฏเาจะไปติาเราหรืออะไรเป็นต้นต่อว่านะี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่จิตตอไม่ได้ติดไม่ได้เรื่องต้นในปรากฏจริงเพราะว่ามันเป็นวงกลมมันเป็นวงกรหมนกันอ ย, อย่างนี้เรื่อไปท่านจึงกล่าวว่าอ่าเป็นภาวะจัรจับคือวงกลมที่หมุนไปนั่นเองอุปชาโยกตินั้นท่านก็แสดงว่าได้แต่ความไม่รู้ในปัจะก ความไม่รู้ในนามรูปโดยฐานะตามเป็นจริงค่อนข้ง่ายว่ะความไม่รู้ในใจลักษณะยานไม่รู้ว่านี้เป็นนี้เชืนี่เป็นทุกข์นี่มีเรื่องในตัวตนอาการที่ไม่รู้อย่างนี้ก็เชื่อเป็นอวิชชาเหมือนกันนะเนี่ส่วนคําว่าสังขารในคําว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในที่นี้คําว่าสังขารในที่นี้น่ะยังมีบางคนเข้าใจผิดคือว่าไมนทางอาภิธรรมดีบอกในทางประกอนแต่่บ ปัญญาทสร้างข้าโลอปัญญาที่สร้างข้าโลอันหนึ่งาที่สร้างข้าโลตายจะสร้งข้าโลวิญญาสร้งข้าโลมันโลสร้างข้าโลบางครั้งเราใช้ควิจิตจะสั้างข้าโลอย่างนี้อยังงวิจะตติสร้างข้าไนี่แหละที่ว่าสังขารอันนี้เป็นเเป็นเป็นสังขารเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็มีปัญหมว่าปัญญาเปสังขารหมายเอาแค่ไหนอปัญญาเป็สังขารหมายเอาแค่ไหนอนหนึ่งาเป็สังขารหมายเอาแค่ไหน ท่านที่เคยเป็นนักศึกษาอธิธรรมมาแล้วก็เข้าใจว่าคุณดูแลเข้าใจเลยในอาไมาคาถาสมุหะอินโอธีท่านพูดยอๆว่าท่เป็นมาเตนาที่เป็นกามาผจรลูปาผจรติดสามวงที่เป็นไปในกามาผจญลูปาจญที่เป็นานาที่เป็นไปในจิดทั้งหมดที่ติดสามวงนี่ชื่อว่าปญญาปีสังขาร อั น, นเป็นปัญญาพสังขารที่กุลเจตนานะที่เป็นไปในจิตที่เป็นการ <S S. S. S. S. มาประจอนสุสุลกับมีปวาประจอนสุสุลเรื่องทั้งหมดมี่อยู่ติดสามดวงนี้ชื่อว่าอ่ะปัญญาพิสังขารอาภญญาพิสังขารอาภญณาพิสังขานี่ได้แต่อะไรข้าก็แปลว่าได้แต่เจตนาที่เป็นไปในอกุลิตติดสองดวงนั่นเองชื่อว่าอภูญยาพิสังขาร ตัวอนเนทาทีสังขารนั้นได้ใจเจตนาที่เป็นไปในออรตอาราประจอมตรสิกซึ่ดวอันนั้นคือว่าอนเนนาที่สังขารมันมีปัญหามีปัญหาคือในตับคำว่าจายสังขารจะทีสังขารจิตสังขารมีปัญหาขึ้นมาบางท่านแก่ว่ากายสังขารเป็นไหนแกบอกว่าได้แต่อัตจากติอัตจัตะ วจีสังขารเป็นขไานได้แต่วิตกวิจารจิตสังขารเป็นขนานได้แต่ปัญญาเตวนาถ้าแคอย่างนี้ผิดไม่ในยะในสังขารในปฏิจจานุรัฏฐานไม่ใช่คำว่าใจรสังขารเมื่อจีสังขารจิตจสังขารนั้นมีสองในยะในยะหนึ่งคือใจจสังขารได้แต่วิตกวิจารที่เป็นแต่งที่เกิดคำพูดออกมาให้เกิดวจีกรมวจีเพศกลัมาเพราะเปเราจะเพศนะมันต้องมีวิตสวิจารไวก่อน ต้องยกดกขึ้นสู่อารมณ์ที่ทตัวจะพูดยันจะก่อแล้วต้องไตรตรองในอารมณ์นั่งจะก่อถึงถึงจะหลุดออกมได้คาพูดเพราะงั้นทาน่านกล่าวว่าตายสังขารคือวิปศษษิจารนั้นปรุงแต่งวาจาแล้วก็อ่าอู่้ผู้ไปแล้วะกายสังขารเนี่ยคืออัตตาสัตว์อัตตาสัตว์ผู้ผิไปไปปมกับวิจิตสังขารจะแล้วอ่ากายสังขารเนี่ยคือ อ, อัตตาสัตัตตาสัตวนั่น เป็นเครื่องที่ทำให้เรามีชนะีวิตอยู่ได้ขึ้มายืนยาวอยู่ได้อัตราสัปปะสัปปะสัมเนีะว่ามีสังขารเนี่ยคืออาทเศษวิจารที่เพิงแต่งวาจาออกม า, ตต า, นนา เ, า ต, าาเาติมจิตต่สังขารนั้นได้แต่สัญญาใจเวทนาจิ่ อ, อาสังขารได้แต่สัญญาเวทนาที่เพิ่งแต่งจิตเป็นกลุ่มตัวประกอบจิตกาสังขารที่อัตราสัปปะสัปปะยวัามีสังขารคืออวิเศษวิจาร จิตกับสังขาร น, นั้นคือปัญญาเลียนนาแต่ว่าสังขารในปถิติปฏิบาตนั้นไม่ใช่สังขารสามตามระยะนี้แม่ขีจะเหมือนกันว่ากายสังขารมันคอสังขารจิตสังขารก็คือแต่ไม่ใช่ตามระยกสามอันนี้ถ้าเป็นมยะสามอันนี้จิตยนนังไม่มีเลีนาปัญญาจะมีได้อย่างไรนี่ไ่ไนามรูปยังไมีมัตชั้นกับอัตาั้จะมีได้อย่างไร ไม่ได้นารูปจะลายจัตมะยังไม่มีแล้ววิชีเพศจะมีได้อย่างไรมีไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปแก้ว่ากายสังขารม่มีสังขารจิตสังขารตามมาญาตว่ากายสังขารจะอาศัจฉริยะอัจฉริยะไม่ถูกวิชีสังขารจะมีตกอิจาร์ไม่ถูกหรือว่าจิตสังขารคือสัญญาเวทนาไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นในย่าสามอันนี้ถ้ากล่าวไวในเกี่ยวกับการเข้าสัญญาเวทวิจมีโรสมาบัต ว่าผู้ที่เข้าสัญญาเวรยิทันมิโรสมาบัติั้งยอดดับสังขาร3ามสังขารสาคืออาจารยกจับอาจาแล้วกอที่ตกติิจารสัญญาเวทนาอย่างนั้นควรแต่ว่าในปฏิจจสมหวังไม่ได้พูดเรืยงเกี่ยวกับสัญญาเวรยิทันมิโรท่านนั้นได้แต่อะไรได้แต่กายจะเจตนาปีศาจจะเจตนากับมนสัญจะเจตนาสังขารสามกายจะสังขารเป็นขนคือกายจะสัญจะเจตนาเอง วาจีสเป็นาที่เต็มไปในรูปาพประจำสิ่ตงตนบ่าการมาประจำสิ่ตงตนบ้าสิสามดวงนั่นแหละที่เป็นไปนตามนั้นเนี่ยแล้วก็วัาจีสังขารเป็นไห น, นก็ได้แต่ว่าจีสังญะเจตนาคือว่าเรากล่าวว่จีกรรม ต้องทาสะุดหรือพุทธคุณก็ดีไว้กล่าวปุิทวาจาออกมาก็ดีเกตนาได้อันโสะระพุทธในพร้อมกับอักขุติจุบบาทที่เกิดขึ้นเพื่อกล่าวทำปฏิทวาจาอันนั้นเป็นปฏิสันเจตนาเกตน า, าไดที่โสะระพุทเกิดขึ้นกับที่ผลกิจจุบาทพร้อมกับที่เราเปลี่ยนคำสะุดหรือพุทธคุณอันนั้นเป็นปจิสันเจตน า, เ, าเป็นอย่างนี้